ท่านสาธุชนพุทธบริษัตว์ทั้งหลาย <c oughs> และบรรดุแมะบรรดาลูกหลานเล็กๆที่รักวันนี้ก็คงจะมาพบกันในเรื่องของพระมหาเชนกตามเดิมเพราะว่ายังไม่ได้จบเพะวันที่แล้วมาได้กล่าวมาจบลงตอนที่พระมหาเชนกมาครองราชแล้ว ทรงตั้งโรงทานขั้นหกแห่งคือกลางพระนครหนึ่งแห่งที่ประตูพระนครประตูละหนึ่งแห่งเป็นสี่แห่งรวมทั้งห้าแห่งด้วยกันแล้วก็ข้างประตูพระเจ้าวางอีกหนึ่งแห่งทรงบริจาคทานเป็นไปจำไม่โปรดเชิญพระมารดาและบุรหิตราจารมาจาาจำปานนาคร สรงอุปถัมภ์บำรุงท่านสองให้มีความสุขความสบายตลอดมาทั้งนี้ก็เพราะอาศัยว่าท่านมีความกตัญญูกตเวทีตมารดาแล้วก็ทั้งครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้ฉะนั้นในตอนนี้อยากจะคุยกับลูกหลานที่รักเื่อความจริงบิดามารดาของเรานี่มีความจําเป็นอย่างยิ่ง ที่ลูกหลานทั้งชายทั้งหญิงควรจะตั้งไว้ในความกตัญญูรู้คุณท่านจงอย่าเอาอย่างบุคคลเลวๆที่เขาคิดว่าพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดแล้วเขาก็เกิดมาเองแต่วในเมื่อพ่อแม่ไม่ตั้งใจให้เกิดเขาเกิดมาเองนี่สนแสดงว่าเขาก็เลวเต็มที เพราะนั้นว่าเรื่องนี้เราไม่ต้องคิดคิดที่เพีงว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วท่านมีความดีกับเราอย่างไรบ้างหนึ่งขณะที่เราอยู่ในท้องถ้าเราท่านไม่หวังดีกับเรากิงของร้อนจัดเผ็ดจัดเค็มจัดเราทนไม่ไหวเราก็ตายเต็มแต่อยู่ในท้องประการที่สองถ้าไม่หวังดีกับเราไม่รักเราเมื่อเราเกิดมาแล้วเราท่านทิ้งไว้ ไม่ให้น้ำนมแกเรากินเราก็ตายทันเดียงเล็กโดยการต่อมาเราโตขึ้นถ้าหากว่าท่านไม่รักเราท่านไม่ให้วิชาความรู้ไม่ให้เงินไปโรงเรียนไม่ผ้าหนุ่มผ้าหม่มเราจะเอาที่ไหนที่ท่านทำแบบนี้เพราะท่านมีความรักความหวังดีกับเรา ฉะนั้นความดีของพ่อแม่พ่อแม่จะมีฐานะเป็นยังไงก็ช่างข้าลูกหลานที่รักจงตั้งไว้ในความกตัญญูรู้คุณท่านจึงจะเป็นคนดีสมเด็จพระนิรันดิสีบรมศาสดาส ม, มาสพุทธเจ้าสงตััสว่านิมิตตังสารูปานังกตัญญูกะตะเวทิตา บุคคลใดมีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาแล้วเชื่อฟังคําสั่งสอนของท่านปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านแท้กล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีข้าขอลูกหลานที่รักกําลังฟังอยู่นี้จงทําตนเหมือนกับพระมาหาชนกที่มีความกตัญญูรู้คุณกับในาบิดามารดาและครูบาอาจารย์ของท่าน ลูกหลานทุกคนจะเป็นคนดีต่อที่นี้ไปก็ขอกล่าวเรื่องราวต่อไปต่อจากเมื่อวานนี้เป็นอันว่าเมื่อพระมหาชนกได้ครองเมืองแล้วทรงตั้งฐานลงทานไว้หกแห่งมณดาชาวเมืองมิตรลาเมื่อได้ทราบว่าพระมหาชนกขึ้นครองราชสมบัติคือเป็นพระราชโอหม่นี้ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอาริ t h คือว่าเป็นลูกของพระราชาองค์นั่นเองต่างคนต่างคนดีใจนำเครื่องบรรณาการมาถวายเป็นมากจัด ก, การสมโพธ์มีมโหสศพในพระคนครได้ช่วยกันตกแต่งพระราชนีเวทห้อยฟองบุปผามาลายัย จัดน้ำอาหารใส่ภาชนะเงินภาชนะทองคำนำขึ้นน้อมเกล้าถวายเป็นราชบันนาการผู้เฝ้าเฝ้าได้ประจำอยู่ตามที่พระรัมทีจัดไว้บรรดาอมมาราชสาวกอยู่ประจหนึ่งนางสนมกำนันเฝ้าอยู่ประจหนึ่ง บรรดาประชาชนเฝ้าอยู่รอบๆพรามสาธิยายมนอำนวยความสวัสดีผู้มาเฝ้ากล่าวคำถวายชัยมงคลกือก้องโคล า, คนาขนบรรดาคณะดนตรีก็ขับร้องประสานเสียงกันอย่างเ อ, อกเกิกไปที่น่าเรื่นรมสมนัตอย่างยิ่งนี่คนดีไปอย่างนี้นะลูกหลานที่รัก ถ้าความดีมีอยู่ที่ไหนไปที่นั่นเขาก็มีคนรักคนดีจริงๆก็คือคนมีความกตัญญูรู้คุณกับท่านต่อท่านที่มีคุณเช่นมีดาละมารดาเป็นต้นครูบาอาจารย์หรือว่าท่านผู้มีพระคุณต่างๆถ้าท่านมีความดีกับเราสงฆ์เราแม้แต่ชี้แนะนําความรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง เราก็ขอรบท่านสนองคุณท่านในความดีคนประเภทนี้ก็ยังมีเกียรติยศคือเป็นที่รักของมหาชนเช่นเดียวกับพระมหาชนกฉะนั้นขอลูกหลานที่รักทุกคนจงดูตัวอย่างพระมหาชนกเป็นสําคัญต่อไปในเรื่องพระราชาพระมหาชนกทรงประทับบน ร, ราชาอาณาจภายใต้มหาสวัสติ ทอดเป็นเนตเห็นความเอกริดโกลาหนที่บรรดาประชาชนได้มาสแสดงด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์เช่นนั้นก็ทรงหหนลึกถึงคราวที่พระองค์ได้พยายามว่ข้ามมหาสมุทรไม่ยอมท้อถอยจนนางมณีไมนคลายเห็นความอุสาหะแหลงกล้าได้พาข้ามมาจนสาเร็จ เพราะความพยายามที่ทำมานั้นจึงเป็นเหตุให้ได้รับผลคือครองราชสมบัตินี้เมื่อทรงระลึกถึงดังนั้นก็ทรงสมปติก็ทร ง, ง, งปีติสมนัตปีติขบ้าอิ่มใจสมนจส า, สานนต์ขบันดีใจซาบซ่านทรงเป่งอุทานวาจาด้วยปีติว่าจำม่ดีในลูกหลานที่รักจะ๊ะ ลูกหลานที่รักกำลังฟังเรื่องของท่านแล้วก็จไไําไว้เลยนะว่าพระมหาเชนนกเนี่ยเป็นคนที่มีความเพียรจริงๆมีความกตัญญูรู้คนจริงๆเมื่อท่านเรือแตกในท่านเลมองไมืเ็นฟังก็ตั้งใจว่าถ้าเรายังไม่ตายเพียงใดขึ้นชื่อว่าเป็นลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงก็ตามขึ้นชื่อว่าเราเป็นคน เราจะไม่ยอมจำนนแต่ความแต่ความว่าเราจะไม่ยอมตาจำนนกับการที่ไม่สมหวังเมื่อคิดจะทําอะไรถ้าเป็นทานที่ถูกแล้วต้องทําให้ได้ถึงแม้ว่าตัวจะตายก็ยอมตั้งใจไว้อย่างนี้นะตอนนี้ไปก็ฟังคําเปล่งโอทานด้วยความปีติยินดีว่าลูกผู้ชาย ควหวังเข้าไว้ไม่ควรเบื่อนหน่ายในการงานจําได้ไหมลูกหลานที่รักคําว่าลูกผู้ชายความจริงเนี่ยเป็นศัพท์ภาษาที่เขาใช้กันเราต้องคิดว่าขึ้นชื่อว่าเป็นลูกคนหรือว่าเราเป็นลูกมนุษย์ก็ควรจะหวังเข้าไว้ว่าไม่ควรเบื่อนหน่ายในการงาน ขึ้นชี้ว่ากายงานทุกอย่างเราจะทําให้มันสําเร็จไปได้ดีตามการเวลาที่กําหนดไว้และก่อนเวลาก็ยิ่งดีตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินดารสีกล่าว่าอนาคุลาจะกรรมตาเอตมังคลมุตมังขึ้นชี้ว่ากายงานถ้าเราปล่อยไม้ข้างขางท่านกล่าวว่าเปโอดมมังคล คือเป็นการงานดีเป็นงานการเป็นก า, งานรกางานประเสริฐจะเป็นปัใจจัยให้เกิดผลคือความร่ำรวยแล้วก็ความสุขนี่ฟังเรื่องของท่านต่อไปท่านกล่าวว่าลูกผู้ชายคุณหวังเข้าไว้ไม่คนเบื่อนหน่ายในกายงานความสำเร็จความปรารถนาสองรายการคือหนึ่งเป็นพระราชาสมความปรารถนาที่ตั้งไว้ ได้ขึ้นบกสงความปรารถนาที่ต่างไว้เป็นประการที่สองเพราะเราไม่หมดความหวังได้เห็นไหมลูกหลานที่รักถ้าความเพียรมีอยู่ที่ไหนความสําเร็จมีอยู่ที่นั่นต่อไปทั้งเปรยุทานต่อไปว่าคนมีปัญญาแม้ได้รับทุกข์ก็ไม่ควรสิ่งความหวังเพื่อทําตนให้ได้รับความสุข เป็นความจริงคนส่วนมากเมื่อรับความทุกเมื่อได้รับความทุกข์ ก, ขก็ทําแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรับความสุขยังทํำสิ่งที่เป็นประโยชน์คนเหล่านี้ขาดความสำเน็จในข้อที่วา่าคนมีปัญญาแม้จะได้รับทุกข์ก็ไม่ควรสิ่งความหวังเพื่อตนเจ เพื่อจะทำตนให้รับความสุขจึงต้องตายมีหมายความว่าถ้าเรามีความทุกข์หน้าคนมีปัญญาเขาไม่ท้อถอยเพราะว่าตามธรรมดาการเกิดมาในโลกนี้มันมีความสุขกับความทุกข์เป็นของคู่กันความทุกข์คือความปรารถนาที่ตั้งใจไว้มันยังไม่สมหวังถ้าหากว่าความยังไม่สมหวังมีขึ้นเราท้อถอย ก็ชื่อว่าเราไม่ใช่ลูกผู้ชายหรือไม่ใช่ลูกคนเมื่อความทุกมีที่ไหนความพยายามต้องมีที่นั่นบากบั่นให้ถึงที่สุดซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าวิริเยณะทุกขมาจเจติโมกคนจะล่วงทุกได้เพราะความเพียนที่พระมหาจะนกว่ายน้ำแม้แต่ไม่มีความหวังฟังก็มองไม่เห็น ในเมื่อพระองค์ไม่ทรงทิ้งความเพียร น, นางมณีนนไม่ขลาเพื่อนาเป็นปนางเทพธิดาทนไม่ไหวก็จำเป็นจำใจก็ต้องช่วยพระองค์เพราะพระองค์เป็นคนดีแม่ลูกหลานที่รักก็เช่นเดียวกันการศึกษาการปฏิบัติความดีจงอย่าท้อถอยถ้าเราทำความผิดบิดามารดาดุว่า หรือว่าลงโทษครูบาอาจารย์ลงโทษจงอย่ากโกรธในทันจงมีความสํานึกว่าเราทําอะไรหนอท่านยังลงโทษเราเมื่อนึกขึ้นมาได้แล้วจงจําไว้ว่าอาการอย่างนี้เป็นความไม่ดีเราจึงถูกลงโทษเราจะไม่ทํามันต่อไปถ้าอารมณ์ใจของเราอยากจะทําอย่างนั้นก็จงตั้งความเพียรไว้อย่างพระมหาชนก ว่าเราจะไม่ยอมทำความผิดอย่างนี้ตลอดต่อไปตลอดชีวิตถึงแม้ว่าใครเขาจะตัดย่ายขาดมิตรเราก็ยอมคือไม่ยอมละความดียอมละเพื่อนที่เลวมิตรที่เลวอย่างนั้นเสียให้จำม่ให้ดีนะลูกหลานที่รักความสำเร็จในความปรารถนาจะเกิดกับลูกหลานนี่ฟังคำเปลงอไทัยของท่งานต่อไป ให้กล่าวว่าบางอย่างเราไม่เคยคิดเลยแต่ก็ปรากฏขึ้นได้แม้บางอย่างเราเคยคิดไว้แต่ก็ไม่เป็นไปตามความคิดเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ราชสมบัติโดยไม่ต้องรบแต่ว่าปรากฏว่าเราก็ได้แล้ว เราเคยคิดว่าเราจะจริ้งราชสมบัติในสุวรรณภูมิแต่การก็ไม่ปรากฏให้เป็นไปเช่นนั้นความจริงพวกก็สมบัติไม่ได้สำเนิจขึ้นได้เพียงความคิดชนิดสร้างวิมานในอากาศจะสำเนิจขึน้นได้เพราะอาศัยความเพียจรจึงควรทำความเพียรอย่าเป็นศักด์แต่ว่าคิดอย่างเดียว ให้แม่ลูกหลานที่รักเป็นอันว่าคนที่มีความกตัญญูรู้คณคนมีปัญญาศึกษามาดีแล้วใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์มีความวิยาอุสาหะจะสมเจผลทุกอย่างคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราจะคิดแต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้อย่างกับคนที่เขาคิดทรยศต่อบ้านต่อเมือง ความจริงเวลานี้ประเทศไทยเรามีความสุขเรามีอิสรภาพจะกินเมื่อไรจะนอนเมื่อไรจะใช่กางเกงแบบไหนเสื้อแบบไหนแต่งตัวแบบไหนก็ได้แต่ว่ามีคนบางพวกเขาบอกว่าทําอย่างนี้ไม่ดีชวนกันให้ทําลายความดีของความเป็นคนไทยคําว่าคนไทยคือไม่เย็าานชา ชวนให้ไปเป็นทาสประกาศว่าการอยู่อย่างนี้ไม่มีความสุขคนนั้นรวยกว่าเราคนนี้มีศักดิ์ศรีมากกว่าเราคนนั้นมีศักดินา ม, มากกว่าเราเราสู้เขาไม่ได้ช่วยทำตนให้เสมอกันดีกว่าคือเป็นทาสต่างคนต่างมีฐานะเสมอกันคือเป็นลูกย่างของของรัฐบาลแต่อย่าลืมนะ เมื่อคนที่เขาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขารวบทรัพย์สินไปหมดเราทําได้เท่าไรเขาก็เอาไปหมดเท่านั้นแล้วเขาก็แบ่งให้เรากินเราใช้ตามไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นไปตามความบาถนาที่เราต้องการดูตัวอย่างนักกีฬาพม่าที่เคยเข้ามาเพื่อเข้ามาเรียกว่าเข้ามาในประเทศไทยแนักกีฬาไทยก็เราไปในพมา่า นักกีฬาพม่าพาไปเที่ยวที่บ้านเขาไม่เคยผูกนาฬิกาเลยเพื่อการปกครองประเทศนันคบังครับจะมีอะไรเกินกว่าที่รัฐบาลให้มีไม่ได้เธอมองดูนาฬิกาที่ข้อมือนักกีฬาของเราเธอชอบใจเธออยากเจนได้เธอก็ขุดทอง สร้อยทองคำมีก็ใช้ไม่ได้ทัลตบายเขาทราบว่ามีเข า, าเขา็ยยึดเอาไปจึงฝังดินเอาไว้ขุดเอาสร้อยทองคำมาขอแลกนาิกาได้แล้วก็ชื่นชมยินดีแต่ว่าผูกไม่ได้เวลาเก็บทองฝังไม่ใต้ดินให้ดูทอ่ลูกหลานที่รักที่เรียกว่าลัทธิการเมืองอะไรก็ไม่ทราบที่ก็ชวนกันเข้าป่าเข้าดงเวลานี้เนะี่ย คิดว่ามันเป็นของดีความจริงมันเป็นความเลวชัดๆฉะนันขอลูกหลานทุกคนจงอย่าเชื่อคําชักชวนเขาเวลานี้ลูกหลานสมายดีแล้วจะกินอะไรก็ได้พ่อแม่ก็ตามใจแต่วางครั้งท่านไม่มีให้บ้างก็ไม่เป็นไรอย่าโกรธท่านจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้จะมีอะไรจะมีสร้อยก็ใส่ได้มีนาฬิกาก็สวมได้มีแหวนก็สวมได้ แย่งตัวเสียอะไรก็ได้ทุกอย่างถ้าเราเป็นอย่างพ่อมาเป็นอย่างเราอย่างขมน้นเราจะทำอย่างนี้ไม่ได้เลยเราจะกินตามที่เขาให้กินเราอยากกินเผ็ดก็ให้กินเค็มเราก็ไม่ได้กินเผ็ดสงความปรารถนาอยากจะกินขนมเขามีกะปิมาให้เราก็ต้องกินกะปิแทนขนมมันจะดีอะไร จงช่วยกันรักษาความเป็นไทยไว้ไทยก็ไม่ช่วยส่วนให้ทําลายความอิสระภาพบอกว่าปริวัติเปลี่ยนแปลงกันสมัยดีกว่าอย่างนี้ลูกหลานอย่าเชื่อเขานะจ๊ะถ้าเชื่อเขาลูกหลานจะเป็นอย่างนักกีฬาพมา่ามีส้อยกระสุนไม่ได้ต้องฝังไว้เกรงว่ารัฐบาลจะยึดไป มีนาฬิการแลกกระสไก็สมไม่ได้เอาไว้ชื่นชมเวลาที่คนก็ไม่เห็นเอามันดูแล้วก็ต้องเก็บอย่างพวกเราเวลานี้เราจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้แบบสบายอย่าจะดูหนังดูละครข็ดูได้จะทำอะไรก็ได้ะกินเปรี้ยวกินเค็มกินขนงกินกแกงกินกับยังไงก็นใดอย่างนี้สบายกว่าขอลูกหลานที่รักจงอย่าเชื่อเขา รักษาความเปสนศระภาพของเราไว้ฟังเรื่องราวของท่านต่อไปพระราชามาหาชนกทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมคำว่าทศพิธรราชธรรมก็เป็นพระราชาอย่างดีมีน้ำประทรัยดีอบอ้อมอารีแก่ประสบนิกร อ, อย่างพระบรมเจ้าพผ่อดินของเราองค์ปัจจุบันคือราชการที่เก้า ที่ห่วงใหญ่บัญญาเป็นประสบนิก่อนชาวไทยอยู่เป็นปกตินี้เมื่อได้ขึ้นครองราชให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขตลอดด้วยกันทุกคนทรงอุปถัมภ์พระบาเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยศรัทธาอันแหล่งกล้าคําว่าพระบาเจกพระพุทธเจ้านี้เป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งแต่ว่ากลับได้คราวละหลายหลายอง ไม่เหมือนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสําหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตัดเข้ามาแล้วได่องค์เดียวจะมีสอนไม่ได้แต่ก็สอนคนให้ไปสวรรค์ปณิพันธ์นได้สําหรับพระประเจกพุทธเจ้าทรงตัดเข้นมาแล้วไม่สอนคนไปสวรรค์ปณิพันธ์สอนให้ทําบุญธรรมดาธรรมดานี่มีลักษณะการต่างกันอยู่ตรงนี้จึงเรียกว่าปเจกพพุทธเจ้า ซึ่งแปลว่าเป็นพระไตเจ้าตัดขึ้นมาบรรลุเฉพาะตนไม่สามารถจะสอนคนอื่นให้มันรุ้ได้เป็นนั้นว่าเขอเล่าเรื่องต่อไปแห้นการล่วงมาพรรณาสิวลีมเมสีก็ทรงเบสร้าเจโอรสองหนึ่งพระชนกชน น, นีคือพระมหาชนกพรรณาสิวลีพาะพระชนกก็คือพ่อนะจ๊ะ พระชนนีก็คือแม่ในขนานบรร น, นามคือตั้งชื่อว่าทีขาวกุมารเมื่อทีขากุมารเจริญวัยวินดามันดาทรงสถาวั น, นาตำแหน่งให้เป็นมหาอุปราชตำแหน่งมหาอุปราชนี่ก็คือเป็นลัทธิทายาทญาสุเด็จพระมหัพพรมโอรสาธิราชอย่างนั้นแหละอย่างนี้สมัยก่อนเขาเรียกกันว่ามหาอุปราช ในวันหนึ่งพระมหาชนกทรงสเสนด็จประาพาสพระราชุทยีญานเ่นทอดพระเนตรเห็นมะม่วงสองต้นคือต้นหนึ่งหักใบร่วงกรนอีกต้นหนึ่งมีใบแน่นหนาสีเขียวเ อ, อุ่มร่มเย็นราบพืนยังที่ทรงตัถามอำมาที่ตามพระเน็จมาว่า ทำไมมะม่วงสองต้นนี่มันจึงไม่จึงไม่เหมือนกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นต้นหนึ่งกิ่งหักใบร่วงต้นหนึ่งเขียวจะอมพุ่มสวัยใบยสะพรั่งน้านนั่งเล่นนอนเล่นเรือมาที่ติดตามมายังกลา่าวทนว่าขอเดชะต้นหนึ่งมีผลดกแล้วก็มีรสหวานน่ารับประทานมาก ฉะนั้นคนหหลายต่างพากันมาสอยบ้างขว้างบ้างหักบ้างเพื่อจะอผลไปรับประทานจึงมีใบโขลนเกีียหักเช่นนั้นสำหรับอี ต, ต้นหนึ่งไม่มีผลไม่มีใครไปทำลายจึงมีใบหนาเทือกอยู่เช่นนั้นพระเจ้าข่าเมื่อพระมหาชนกได้ทรงสัดับดังนั้นก็ทรงสลดพระทยัย ได้ความคิดขึ้นมาว่าต้นมะม่วงที่มีผลอร่อยมักจะถูกหักทําลายเช่นมะม่วงต้นนั้นส่วนต้นมะม่วงที่ไม่มีผลก็มีใบหนาทึบสะครั่งอยู่ทรงคิดต่อไปว่าราจะสมบัติเปรียบเหมือนต้นมะม่วงที่มีผลอาจจะถูกทําลายแค่วันใดวันหนึ่งก็ได้ แม้ยังไม่ถูกทำลายก็ทำให้เกิดกังวลเฝ้าแหนรักษาภัยเกิดแต่แก่ผู้มีความกังวลหมายความว่าภัยคือความไม่เป็นสุขบุคคลใดมีความกังวลบนุบุคคลนั้นก็มีภัยคือไม่มีความสุขบรรบับยชาในอาการเทบ่บทเปรียบเหมือนกับต้นเหมือนกับต้นไม้และต้นมะม่วงที่ไม่มีผล ไม่ทำให้เกิดกังวลเพราะภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไม่มีกังวล น, น, นี่พระมหาชนกตอนนี้คิดจะบวชแล้วเห็นโทษแห่งการมีสมบัติมากแต่การมีสมบัติไม่มากก็เป็นของดียิ่งนี้คิดต่อว่าเราจะไม่ยอมทำตนเหมือนต้นมะม่วงที่มีผลเราจะทำตนให้เหมือนต้นมะม่วงที่ไม่มีผล เราจะสละราชาสมบัติออกบรรพชาแน่นอนเมื่อทรงมั่นพระทยัยเช่นนั้นจึงทงสเสด็จกลับพระราชวังรับสั่งประชุมเสนาบดีและจึงตัดว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราขอมอบราชการทุกอย่างให้แก่อุปราชราชโอรสของเราดูแลแทน เราจะอยู่อย่างสงบห้ามผู้คนเข้าไปรบกวนเรานอกจากพนักงานเชิญเครื่องหมายความคนนำอาหารเชิญเครื่องนี่นะเครื่องได้แก่อาหารกับพนักงานถวายน้ำบ้วนพระโอนคือน้ำกินน้ำล้างปากเท่านั้นตรัสสั่งและพระองค์ก็ทรงด็จเข้าสุสาษิ์ ทรงเจริญสมณธรรมคือทรงเจริญพระกรรมฐานรร อ, รรอยู่แต่พระองค์เดียวเมื่อเวลาการผ่านไปหลายๆวันเข้ามรนดามาชนไม่เห็นพระราชาของตนเสด็จออกตรวจราชกิจ ต, ตามปกติท่านไปเรื่อยๆอย่างกับพระบาทสมเด็จเจ้าหัวราชการที่เก้าของเราทรงเสด็จไปเยี่ยมที่นอนทรงเสด็จไปเยี่ยมที่นี่ แต่ตอนนี้พระมหาชนกไม่ ส, สันด็จทรงเจริญพระกรรมฐานเส็ยแล้วยิ่งประชุมกันที่หน้าพระลานหลวงพวกกันว่าพากันพูดว่าพระราชาของเราไม่เหมือนก่อนเส็จแล้วไม่เห็นเสด็จออกตรวจราชการงานเมืองไม่เห็นเสด็จออกทอดพระเนตรการพลําขับร้องไม่เห็นเสด็จประาพาสพระราชอุทยาน พรงทําเป็นเหมือนคนไข้ประทับนิ่งเฉยอยู่ในปริสาทเฉะนั้นหรือเขาถามกันนะไม่เวลาเลยสองนาทีนาทีนาทีาทครึง่งเขากล่าวแต่ว่าพระราชาฝ่าหานนกทรงมั่นพระไทยแน่วแน่ในวิเวกคือคำว่าวิเวกนี่แปลว่าสงาัดยังนี้ทรงสละกามกิเลสหรือไม่ยุ่งกับลูกกับเมียทั้งหมด ส่งเลลือถึงเดียว่าส่งเลือถึงแต่เหล่าพระประเจกับพระเทเจา้าทรงคอยหาโอกาสที่จะเสด็จไปที่อยู่ของพระประเจกับพระเทเจา้าทรงเป็นผู้ท่านทรงศีลเป็นปกติทรงเห็นพระราชนีเวทเหมือนก็ขมนรกเพื่อว่าเห็นพระราชเจวังอะมันยุ่งไปหมดกกายงานต่างๆมันก็ยุ่ง เรื่องของตัวไม่เคยได้ยง่งยวงแต่เรื่องของชาวบ้านชาวเมืองห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เหมือนกับขุมนรกทรงมุ่งพระไทยอยากจะออกบทให้ไจะออกไปให้พ้นจากขุมนรกจึงทรงดำริว่าเมื่อไรหนอเราจะได้ออกจากวิถีลานนครซึ่งมีสมบัติมหาศาลมีความเจริญรุ่งเรือง มีประาทราชมนเทงงดงามสบพรั่งไป้วดพระบ ร, ะระมวงศานุวงศ์และล้วนจตมีความเจริญในด้านต่างๆอีกมากมายแต่เป็นปัจจัยของความทุกข์บรรดาลูกหลานที่รักและบรรดาแทนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังน่าเสดายวันนี้เวลาหมดเสร็จแล้วก็ต้องจากกันฉะนั้นขอลากร ขอความศุขสวัสิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลแลละขอทุกคนจงเจริญไปด้วยจัตุรภิตะพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขาพราและปฏิภาณหากทุกท่านมีความประสงค์เสียงใดก็ค่อยได้เสียงนั้นสงความปรารถนาจนทุกประการสวัสดี